ก็มันลักษณะข้ามขั้นสําหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่ผู้เข้ามาศึกษาใหม่ควรจะเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องแรกว่าการปฏิบัติตนนั้นทําอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบางครั้งก็ได้สวั บ, บมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต้นเรื่องจิตตภาวนาพิธีทำสมาธิทํำยังไงวิธีเดินยังกรมทํำยังไงวิธีไหว้พระแล้วทําจิตใจอย่างไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ ทำสมาธิสมาธิมีคุณค่าอย่างไรสําหรับพวกเร า, เามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องทําสมาธิเสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ไลยวกวนเวียนพูดเปลี่ยนต่างกล้ำต่างวาระให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นอทุกครั้งทว่าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็เอ า, เอ า, เอาผ่านไปเข้าสมาธิฟังไป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 พอได้ยินหลายครั้งต่อหลายหนแต่เราปฏิบัติได้ไหมที่ท่านพูดให้ฟังนั้นถ้าเราปฏิบัติได้แล้วก็เออน่าจะผ่านผ่านไปแต่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้เพียงแต่ทําจิตให้สงบพราะก็ยังทําไม่ได้จิตสงบนะแต่ต้องพิจารณาอย่างนี้นะกําหนดอย่างนี้นะแต่พวกเรายังกําหนดจิตยังไม่ได้ยังทะเลทลายเราจะไปเบื่อในการฟังได้ยังไงเราต้องฟังให้ซ้ํำซากอีกเหมือนกันแล้วจากนั้นมาเราก็จะได้ รู้จักวิธีการปฏิบัติกับตนเองแล้วเราจะทำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งให้ได้นี่นี่แหละพวกเรามาปฏิบัติมาอยู่ป่าดงพงไพยอย่างนี้ไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้มาเพื่อมุ่งหวังลาบยศจันเสริญเยิอนยออะไรทั้งหมดมาเพื่อบาเพ็ญจิตตภาวนามาเพื่อบาเพ็ญทางด้านจิตใจในหลักของพุท ธ, ธ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 เราเห็นคนตายเราเห็นคนแก่เราเห็นคนเจ็บมันทนทุกข์ทรมานจริงๆแล้วก็เคยเราบางทีเราก็เคยเจ็บเคยป่วยเคยไข้มาแล้วก็เห็นอ่าเราก็เห็นความเจ็บความป่วยกับใจของเราเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้แยกกายออกจากจิตให้แยกจิตออกจากกายให้แยกกายออกให้แยกจิตออกจากเวทนาคือความเจ็บปวดเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา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 ทำจิตให้สงบและแยกแยะดูให้ได้ถ้าว่าจิตใจของเราไม่เข้มแข็งจิตใจของเราไม่เป็นหนึ่งแล้วเราจะแยกยากมากเพราะนั้นให้พวกเราทุกทท่านนะพยายามทำเพราะว่าพวกเราจะต้องเจอมรสุมเจอด่านนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นต้องผ่านด่านนั้นแน่ว่าไงแต่แต่เราจะทำไงเราต้องฝึกซ้อมเอาไว้ก่อนก่อนที่จะผ่านจุดนั้น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 เพียเต็มทนอ่อนละทถวยเต็มทนเพราะว่าอายุมากแล้วท่าท่าจะว่างไปแล้วคือร่างกายหมดสภาพแล้วที่จะทำให้แข็งแรงขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วแต่ถึงยังไงท่านไม่ทุกข์กับาธาตุขันธ์ของท่านเพียงแต่ว่าท่านนำรงทรงธาตขันธ์ของท่านเป็นวันวันไปท่านยังปฏิเสธว่าไม่เอาน้ำเกลือนะ ไม่ต้องฉีดยาให้ข้านะเออย่างนี้เป็นต้นในความเข้มแข็งของท่านมีท่านบอกว่าข้าไม่กลัวตายนะข้าอยากจะตายต่างหากให้มันจบๆไปเพราะว่าขันทั้งห้านเป็นภาระอันหนักเหลือเกินถึงยังไงยังไงมันก็ต้องถึงจุดจบอยู่แล้วแต่ว่าข้ากลัวเจ็บกลัวปวดบ้างแต่ทำยังไงได้มันก็ต้องเจ็บต้องต้องเก็บต้องปวดซะก่อนต้องจันต้อง หันใจผืดซะก่อนหันใจขาดซะก่อนมันจะค่อยตายถ้าไม่ถึงขนาดท่านมันก็ไม่ตายทํายังไงได้เราก็ต้องรู้ถ้ารู้ทันมันนั่นแหละสิ่งเหล่านี้เอีครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วท่านจะพูดแบบเด็ดเดี่ยวอาถานให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยตรงกันข้ามกับพวกเราถ้าหาว่าเก็บไข้ได้ป่วยมาแล้วถ้าว่าไม่ได้ปฏิบตัติไม่ได้คิดไว้ก่อนมีแต่ทุรนทุลายกระซับกระสาย บ่นเพอ้เอว่าทำไมไม่รักษาข่าทำไมไม่ดูแลข่าทำไมไม่เอาหยุกเอายาที่ดีมารักษาข่าจะบ่นเพ้อไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติจิตภาวนาแล้วจะรู้รู้เท่ารู้ทันร่างกายถึงจะรักษาขนาดไหนก็เท่านั้นแหละต้องมีจุดจบปันหนึ่งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น เ, เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะหลักของพระศาสนาน พระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนําพุทธบริษัทสี่ของวงให้มีทานมีศีลมีภาวนานเป็นแนวแถวภาคปฏิบัติสําหรับพวกเราสําหรับฆราวาสญาโยงให้มีทานนะ่ะแล้วก็ให้มีศีนนะ่ะแล้วให้ภาวนาหนะ้าท่านไม่ให้ทิ้งอันใดอันหนึ่งมันไม่ใช่มีแต่ทานอย่างเดียวถ้าศีนไม่มีก็ไม่ได้ภาวนาไม่มีก็ไม่ได้ มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสรุปแล้วก็คือสามอย่างสามขาอย่างสามขาอย่างมันยังไม่ล้มเหมือนกันตเ่เพราะว่ามีความจำเป็นทุกอย่างทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่หลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องภาวนาเพราะว่าเรื่องพูดเรื่องทานเรื่องศีลมาพูดมามากแล้วคุณค่าของทานคืออะไรคุณค่าของศีลคืออะไร แต่คุณค่าของทางภาวนาหลวงพ่อได้พูดบ้างก็ไม่มากเพราะว่าการสถานที่เวลำเวลาไม่เอื้ออำนวยบางทีก็พูดแต่เรื่องภาวนาก็ททำให้ผู้ฟังฟังไม่จุใจหรือว่าฟังไม่เข้าใจหรือว่าเราพูดเรื่องกิจภาวนาให้แก่พวกนั้นฟังมันสูงเกินไป มันลึกเกินไปกว่าที่พวกผู้ฟังจะรับได้แต่ตามไม่จริงทางว่าในหลักแล้วถึงจะรับไม่ได้ก็ต้องพยายามรับให้ได้เรื่องจิตภาวนานมันเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาพระพุทธเจ้าสอนทำให้ทําอย่างไรที่พระพุทธองค์เองที่ท่านทํากับพระองค์เองกับวันตัตรู้ธรรมเป็นวันแรก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 อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนอยังไงพวกเรากอนนั่งพยายามนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงคือให้คล้ายกับว่าไม่เอ็นไปข้างหน้าไม่โหนเงินไปข้างไปซ้ายไปขวาไม่ก้มจนเกินไปนั่งให้ตรงจากนั้นก็กำหนดลมหายใจเข้าร้วหายใจเข้าหายใจออกร้วหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นเนะี่ยพอเราฝังไว้ให้ดีนะนี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะแต่ต่อมานี่หลวงปู่มั่นท่านว่ากรรมกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมันน้อยเกินไปมันสั้นเกินไปทําให้จิตใจของเรามีช่องว่างมันส w ว p e ออกไปข้างนอกได้อยู่ท่านจึงให้บริกรรมสำทับเขาว่าหายใจเข้าพุธ หายใจออกโธฮะให้มีอารมณ์เข้าไปอีกว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทธโธพุทโธฮะแต่ไม่ต้องตามลมออกไปและไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องเราให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกให้รู้ว่าลมผ่านเข้าไปแต่บางท่านบางคนก็นอย่างที่หลวงพ่อได้เคยพูดว่าข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยกาหนดล ม, ลมเลย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 ติดกระทบที่ไหนและกระแทกลมออกแรงแรงมันกระทบที่ไหนจากนั้นก็เอาสติมีสติสัมปชัญญะดูที่มันกระทบที่ไหนพอเราจับได้แล้วมันกระทบที่นี่หละกระทบที่ปลายจมกูกที่ดั้งจมูกนี่แหละที่ซานจมูกนี่แหละจากนั้นเราก็เอาสติอยู่ที่นั่นถึเวลาหายใจเข้าเราก็บริกรมว่าพุทธเวลาหายใจออกเราก็บิกรมว่าโท เอแล้วนั่งนานขนาดไหนลงพอเอาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันปวดแข้งปวดขาแหละจะทํายังไงอา้าวปวดแข้งปวดขาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ขยับได้เอขยับไม่ใช่ว่าพอออกจากสมาธิออกไปเลยเออไม่ใช่ขยับไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นขยับได้เอเราปวดแล้วก็ขยับได้แต่ยาขยับบ่อยเอถ้าขยับบ่อยสมาธิมันจะเคลื่อนบ่อยไม่ดีต้องอดทนเออ แล้วก็ขยับบ้างทามันไม่ไหวอพยายามนั่งทั้งคืนก็ยังได้ถ้ามันปวดมากๆเอาขยับอทํามันไม่ทำมันไม่ปวดก็นั่งต่อ อ, อย่างเนี้ยอในคืนเอาทั้งคืนดูสิวันพระอย่างเนี้ยอทดลองดูนะอให้พวกเราภาวนาทดลองดูคืนวันพระทุกวันพระเลยอดนอนดูสิเป็นยังไงาการปฏิบัติมันต้องมีหนักมีเบาได้ มีแต่นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้หนักอย่างเดียวก็ไม่ไหวอย่างวันพระอย่างเนี้ยควรจะสมาทานเข้าไปเจ้าจะถือเนชชิเข้าไปเจ้าจะไม่นอนในคืนวันนี้อย่างเนี้ยแล้วก็มีอริยาบทสามยืนเดินนั่งพอเดินเดินเหนื่อยแล้วก็มานั่งพอนั่งเทียแล้วก็ยืนแล้วก็เดินเปลี่ยนอริยาบทจนถึงสว่าง ทดลองดูสิอ่อันนี้แหละคือการปฏิบัติถาาว่าพวกเราไม่เข้มงวดขวดขันก่อนเล่านินกินแล้วนอนเออไม่ได้ปฏิบัติอย่างไรพอนั่งปวดขาหน่อยหนึ่งกัขยับแล้วก็นอนหงายผึ่งอะไรจะเกิดขึ้นเออไม่มีความอดทนเลยไม่มีความมุ่งมั่นเลยกําลังใจของเราไม่มีถ้ากําลังใจไม่มีแล้วจะสู้อะไรกับไม่ได้ทั้งนั้นกําลังใจนี่สำคัญมากนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงพูดปกให้เกิดกำลังใจอกำลังใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ปุกพระสงฆ์เหมือนกันนะอมีพระสงฆ์องค์หนึ่งท้อแท้อ่อนแอทันวันนะในวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารไม่สู้ใจถอยว่างั้นแต่ถ้าเป็นรถก็เข้าเกียร์ถอยว่างั้นแต่ใจไม่สู้อพระพุทธเจ้าแนะนำว่าศีลสมาธิปัญญานะเกิดแก่เจ็บตายนะ แต่พระอง์นั้นรู้สึกว่าไม่เอาคงจะไปเจออารมณ์อรักในรูปในเสียงในกลิน่นในรสตรงไหนก็ไม่รู้อะไรแบบนั้นเข้าเกียร์ถอยชักจะไม่สู้แต่คงจะเป็นพระองค์ที่สําคัญพอสมควรคงจะมีสกุลพอสมควรแต่นี้พระสงฆ์ก็มาพูดกราบทูล พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยพระภิกษุมานี่พระองค์ก็บอกว่า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 ถ้าถอถ้าสู้แล้วนะจะเกิดประโยชน์ใครใครก็เห็นแล้วก็ชมก็เห็นแล้วก็ชมยกย่องสรรเสริญนักนินคือนักสู้อคือไม่ไม่หลาะแหละไม่ถอยหลังเอแต่ถ้ า, าเราทําอะไรหล่อหล่อแล่แหล่ถอยหลังเป็นที่ตําหนิของปราชญ์เป็นที่ตํานตหนิของผู้มุ่งมั่นเป็นที่ตําหนิของผู้แนะนําสั่งสอนเพราะนั้นท่านยา่า อย่าทําให้อ่อนแอนะเอเห็นไหมบัณฑิตในครั้งก่อนท่านเป็นนักสู้จริงๆนะเห็นไหมท่านจึงเอาชนะได้ได้ครองราชสมบัติเพราะท่านเป็นนักสู้พระสงฆ์ทั้งหลายได้ยินก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าบัณฑิตในครั้งก่อนนั้นเป็นอย่างไรพระพุพทธเจ้าผ่าถือว่านักสู้นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้ากรุงพารณสีพระเจ้าพมทัดครองราชเออ กุงพราณสีมีลูกชายดูดูแลลักษณะดีจะต้องเป็นทายาทจะต้องเป็นพระเจ้าเป็นอิน่งแทนพระองค์ได้ดูแลลักษณะท่าทางดีพระองค์ก็เลยส่งไปเรียนที่เมืองตะกัศิลาอายุเมื่ออายุสิบสองปีเมื่อไปเรียนจุูเมืองตกัศิลาจนมีอายุสบเจ็ดสิบแปดสบเปีเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วก็จบวิชา จบวิชาทางการปกครองจบวิชาทางอาวุธยุโทโธปกรในการใช้อาวุธสรุปแล้วก็คือเป็นผู้นำเป็นผู้นำของประเทศได้เวลานั้นเรียนวิชาที่ตรงไหนที่จะเป็นเป็นผู้นำของชาติได้ทิศประโมกสอนเพราะว่าผู้นี้คือเป็นลูกชายของพระเจ้าพมพท์เนี่ยั่นก็มีสม ไปเรียนหนังสือก็พกเอาเพชรนินกินเอาพวกทองไปเป็นค่าบูชาพระคุณอาจารย์ด้วย เ, เมื่อเรียนจบแล้วก็อาจารย์ก็มอบอาวุธทั้งห้าให้ทีนีอมีหอกศัตมีค้อนมีขวานมีธ น, นูมีดาบวระงา้นั้นแต่ชื่อของท่านก็ชื่อว่าปัญญาวุฒกุมารชื่อว่าปัญญาวุฒกุมาร พี่ผู้ปันกุมมารที่มีอาวุธห้าอยู่ในตัวเามือนกันคือพร้อมที่จะใช้อาวุธทั้งห้าอย่างคล่องแคล่วเอนอย่างทีนี้อาจารย์ก็มอบอาวุธทั้งห้าอย่างให้ด้วยแต่นี้ก็พอแล้วก็จบ ว, วิชาจบแล้วนะอาจารย์ก็บอกวิชาที่เราสอนเนี่ยจบแล้วกลับไปหาพระปิดาได้แล้วแต่นี้ก็พอชายหนุ่มคนนั้นก็มาเดินมา ถ้าเดินทางโค้งเนี่ยมันก็ไกลเกินไปถ้าเดินทางตรงมันก็มีคาว่ามีอมนุษย์มียักษ์คอยจับคนกินอยูออ่แต่ถ้าเราเดินทางโค้งก็ไกลเกินไปเอา้าเรามีอาวุธทั้งห้ยแล้ววะเราไปตรงๆนี่แล้ววะอะไรมันจะมากับมาได้สู้มันนักสู้ไม่ถอยอยู่แล้วเหมือนกันครับตนี้ก็พอเดินมา เข้ามาในป่าดงใหญ่พอเขามามาเห็นยักษ์ตัวหนึ่งยักษ์ขนเหนียวว่ากันแต่มันขนมันยาวมันขนเหนียวหัวมันบ้ากใหญ่มันนะปะตาลูกโปนอีกต่างมีเขี้ยวงอกอีกต่างหากเอท้องมันด่างอีกต่างหากตัวมันสูงมือมันเขียวว่ากันนะที่ท่านบรรยายในในพระไตรปิฎกนะเออในชาดกนั่นนะพอเห็นโอ้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์แต่มันเกินกว่ามนุษย์นะอันนี้ ถ้าไม่เป็นอมนุษย์ก็เป็นยักษ์แน่ๆเหมือก็คืออมนุษย์ก็คือเป็นพวกผีจำแลงเหมือนันเะอันนี้คงจะเป็นยักษ์กว่างันแต่เอาเถอะมันมาถึงจุดนี้แล้วค่าถอยไม่ได้เหมอน่าจะต้องใช้อาวุธให้เต็มที่เลยเหมงอนนแต่นี่ปัญญาวุฒกรมันตามปกติคนเห็นขนาดนั้นแล้วเห็นผีขนาดนั้นเห็นยักษ์ขนาดนั้นแล้วมันเข่าอ่อนเลยเนยมีแต่จะวิ่งหนีเลยยับ ยกักษ์ไปแต่คว้าจับมาแล้วก็บิดคอกินเป็นอาหารเหมือนกันเถอะแต่ปัญญาวุฒิคุมมาเนี่ย เ, เดินเข้าไปโอ้มึงเป็นยักษ์หรือวะกันไม่มึงก็กูละวะกันนะเนี่ย เ, เนเี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบักบอกว่าให้สู้เหมือนกันเถอะอย่าถอยว่างั้นกันเถอะไม่ฆ่าก็เองนะวะฆ่าเอาเนี่ว่างือนกันเดินเข้าไปก็พอเห็นก็นบอกบอกกับยักษ์เลยให้ยักษ์นั้นหนี บอกหนีนะนี่ข้าจะเดินทางกลับไปเมืองกรุงพาราสีข้าเนี่ยนะชื่อว่าปัญญาพุทธกุ ม, มาร น, นะผู้มีผู้ใช้อาวุธทั้งห้าประการถ้าเธอกลัวตายอะไรอย่าอย่ายุ่งนะถ้าไม่กลัวตายแลอะไรจะลองดีกันก็ลองได้เพราะนนี้ยักษ์ก็เฉยเลยมันไม่กลัวคนอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ปัญญาพุทธกุ ม, มารก็หนีหรือไม่หนียักษ์บอกไม่หนีเอทีนี้ก็ ปรับเตรียมธนูไว้แล้วเหมือนกันแต่ธนูก็พร้อมเตรียมไว้แล้วเอจากนั้นก็เอาธนูมาก็ปล่อยลูกศอนใส่เลยอะไรประมาณแตอลูกศอนสอนอาบยาพิษใส่เข้าไปไปติดตะขนมันบางท่านไปติดตะขนยักษ์บางท่นใส่เข้าไปเท่นลูกสอนห้อย ท, ทุกทุกอันเลยว่ามันมันไม่ถึงหนังของมันอีกต่างหากลูกทัไปติดแล้วกันห้อยหมดเท่เนี้ตั้งห้าสิบลูกโทษมันไม่ได้เท่านี้ มึงหนีนะกูยิงมึงไม่เข้าเดี๋ยวกูจะเอาดาบฟันเหนกันชักดาบออกมาดาบยาวสามสิบ อ, องค์คูรีงูคงจะยาวเติบเย่างมัง้งคงจะประมาณสักสามศอกนะเละถอดมาได้เลยเมือหนีหรือบ่ห น, นีโดดปีเข้าไปฟันเลยวะนะพอฟันเสร็จแล้วดาบตัวนั้นก็ไปติดอยู่ขนหนากขนยักษ์อีกวันืนกันเอะ พอตีขึ้นมากกบฟุตเวิร์กออกมาอีกเหมือนกนเถอะวอามึงมึงเอาอีกแล้วเออมึงไม่หนีแล้วไม่หนีกูจะเออเอาเหลาชัดมืองล้วกันเอาเหลามาก็ชัดเข้าไปอีกไปติดขนอีกอย่างเก่าโดดฟุตเวิร์กออกมาอีกพลนิสุทก็เลยเอาขวานเข้าไปฟันเอาค้อนตะพธเข้าไปตีขามือนกันติดอีกพลนิสุทก็ยังไม่ยอมมึงไม่หนีแล้วไม่หนี อาวุธทั้งห้ากูมีกำปั้นกูมีเท้า ก, กเากูมีศอกเข่ากูมีเหมือนกันผลที่สุกรโดดเข้าไปกับกาปั้นชกขาขวาก็ติดชกซ้ายก็ติดเตะขวาก็ติดเตะซ้ายก็ติดติดกลางเลยทีนี้ยังหัววะนี่ยหัวชนเข้าไปอีกติดหัวอีกทีเออพวน่ะสู้ถึงขนาดนั้นเลยปัญญาวุฒิกุมารและยังคู่อีกว่าเอ้ยยัก ถ้ามึงกินกูเข้าไปเพชรอยู่ในท้องของกูเนี่ยยังมีอีกน้ำเหมือกันถ้ามึงกินเข้าไปมึงท้องมึงทะลุแน่ๆเหมนกันกูกืนเพชรนะมึงเข้าใจไหมเหมือนคำว่าเพชรตัวนี้ก็คือปัญญางัมืนกันเถอะเออแต่ยักษ์นี่มันปัญญาอ่อนกว่าเหมนกันะมันก็เลยโอ้โหถ้าขืนกินคนขนาดนี้เข้าไปเนี่ยกูไม่เคยเห็นใครเลยที่จะเก่งกล้าขนาดนี้นักสู้ขนาดนี้นนนนถ้ากูขืนกินเข้าไปเนี่ย อท้องกูต้องทะลุแน่เลยผที่สุดยักตัวนั้นก็เลยเยบอกว่าปัญญาวุฒกุ ม, มารข้าไม่เคยเห็นใครเลยที่เจ็กเก่งกล้าถึงขนาดนี้สู้ถึงขนาดนี้เพราะนั้นข้าไม่กล้ากินตะแก่หรอกถ้ากินเขินขืนกินตะแก่ก็กลัวจะเป็นอันตรายเอยพราะนั้นข้าให้อภัยข้าไปปล่อยเธอไปกลับไปซากมัน จากนั้นปัญญามุตกุมารก็เลยสอนยักษ์เก้ยก ơi, ที่เธอเป็นยกนักษ์ในพราะว่าเธอทํากรรมชั่วในอดีตเธอไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีศีลห้าเพราะฉนั้นให้เธอมีศีลห้าซะนะแอยจะไปฆ่าสาตัตว์ตัดชีวิตอันนี้สงศิลจะคุ้มครองตะแก่แหมแล้วก็ตะแก่จะมีความสุขต่อไปในสัมปารายกับภพแต่เธอทํากรรมหนักอย่างนี้มีแต่ความทุกข์เท่านัน้จะเข้ามา เหยียบยับใจของท่านเพราะนั้นเอาเราไปแล้วนะเธออยู่ต่อไปอนี่แหละอันนี้ชาตินั่นก็คือพระพุทธเจ้าของเราคือปัญญาวุฒกุมารคือพระพุทธเจ้าอยักษ์ตัวนั้นก็คือ ท, ท่านว่านได้มาเกิดเป็นองค์คุลิมานฮะสรุปแล้วก็คือบริษั ท, บ ร, ษทบริวารพอเห็นกันะถึงจะโกรธยังไงมันก็กินกันไม่ลงอย่างนั้นเถอะพร้อมที่จะให้อภัยกันได้เพราะเป็นคนกลุ่มเดียวกัน สั่งสมบา ร, รมีเดียวกันครั้งสุดท้ายก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันเหนกันนี่แหละยักษ์ตัวนั้นก็เลยยอมสรภาพมานพปัญญาวุฒกุ ม, มารก็เดินทางกลับถึงกรุงพาราณสีต่อมาก็ได้สวยราชสมบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายชีวิตต้องชีวิตต้องสู้อย่าไปอ่อนแออย่าไปปวกเปียกทาอะไรก็าตามอย่าไปคิดว่า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 ถ้าเราจิตใจของเราปล่อยเกินไปเล่นกลการพนงพนันสมเลเทเมาเอออบ า, ายเยิบเกินไปเราก็พยายามทำให้ดีขึ้นอย่าทำในจุดนั้นเออให้เข้มแข็งให้สู้ในเมื่อสู้แล้วความความสาเร็จต้องมีอย่างเราเนี่ยปัญญาพุทธกุ ม, มารสมัยนั้นเราสู้ถ้าว่าเราไม่สู้เป็นอาหารยักษ์แล้วมันทันวานะ น, นี้เราสู้จนผ่านมาจนได้ครองราชสมบัติ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 อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพูดแนะนำพระสงฆ์ที่องค์หมดกำลังใจองค์นั้นก็เป็นผู้กระตือหรือร่นขึ้นมาท่นี่สู้ว่างั้นเถอะสู้ปฏิบัติธรรมให้เข้มแข็งจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลนั่นแหะนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายวิธีการทำสมาธินะ่ะต้องสู้นะไม่ใช่มันปวดแข้งปวดขาหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดเวลาวเรานั่ง ฟังวิทยุโทรทัศน์นิยายฟังหมอร้องหมอรำออสู้น้ำปากน้ำลายไหลาปากเรียกแต่ยั ง, ยงสู้อยู่ย่างั้นเอะพลิกซ้ายพลิกขวา ย, ยังสู้อยู่ทั้งคืนแต่พอเรานั่งสมาธิหน่อยเดียวว่าปวดแข้งปวดขาเราก็บวดโอ้ทำไมนั่งสมาธิปวดขาเวลาเรานั่งอย่างนั้นปวดขาทำไมเราไม่บน่แนสแสดงว่ากิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันเป็นกระตักกระตักเลยว่างั้นเถะ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 ขาขวาพุทขาซ้ายโถเดินพุทโตพุทโถเดินจมกลมที่วัดของเราที่พวกเราเห็นไหมถนนที่รอบวัดนะตรงไหนที่มันยาวๆพอเดือนสว่างขึ้นมาได้เราเดินเลยเราจับจุดนั่นเดินหากิ่งไม้ไปขวางทั้งสองข้างนะเออไม่ให้มันเดินข้ามเราก็เดินถึงเกิยงไม้แล้วก็กลับมาแล้วก็ถือมะกิ่งไม้เนี่ยกลับไาดูเดินทางที่เรียบๆหาที่เรียบ มันมีเยอะแยะไปทางเชนเดียวกงนกรมทีนี่ในวัดของเรานะในทางว่าพวกเราฉลาดทาว่าพวกเรามีแต่อ่อนแอมีแต่ น, นอนอย่างเดียวก็อย่างว่านนะั่นแหะเออมันจะมันก็มีแต่เออความล้มเหลวนะในจิตในใจของพวกเราทาว่าพวกเราสู้อย่างปัญญาวุฒิกุมารนนะ่ะพวกเราจะเห็นคุณค่าของสมาธิจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบและฝังลึกแล้วทีนี้ ธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเองย่อมรู้เองเห็นเองถนี่แหละเมื่อเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ เ, เรานั่งพยายามนั่งยืนเดินนั่ง เ, เมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ตลอดไปลําเวลาพยายามไม่ให้เผล อ, อให้มีสติสัมปชัญญะอย่างที่ว่าอยู่ในกายตลอดอีกสักวันหนึ่ง จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเพล่เนอะ่จิตเข้าสู่ความสุขจิตสงบมันเป็นยังไงหลวงพ่อเนะี่ยพวกเราก็คงอยากจะถามอีกจิตสงบนั้นมีสมาธิมีอยู่สามขั้นในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้สามขั้นคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิในเวลาเรานั่งเอีสมาธิ กำหนดลงมีสติสัมปะชัญญะอย่างที่ว่าเน่ไม่เผลอไผลไปที่อื่นนะจิตใจของเราอยู่กับตัวาจากนั้นสมาธิจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบมันจะมีเหมือนเหมือนกับน้ำหรือว่ามันเหมือนกับไฟแสงสว่างเข้าสู่จิตใจมลษนาวาบาแต่วาบคราวนี้เป็นมีความเป็นธรรมชาติ จะเป็นเย็นมีความสุขมีความสุขมากแต่เป็นเวลาไม่นานเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นเองอันนี้เรียกว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นอันดับแรกเป็นครั้งแรกเร ว, ว่าขั้นอีกะบางทีคนเราก็ตื่นเ อ, อพอมันจิตเข้าไปอย่างนั้นเลยตนักรู้ตื่นพอตื่นมันก็ถอนออกไปเลยถานออกไปแต่ถึงยังไงก็ตามจิตอย่างนั้นใจอย่างนั้น ความรู้สึกอย่างนั้นจําไม่ลืมนะในใจของเราจําไม่ลืมโอ้มันจิตมันเปลี่ยนใจมันเป็นยังไงทําไมมันเย็นมีความสุขอย่างนี้ว่อแต่มันเพียงชั่วงคู่ขนาดนี้ก็ยังมีความสุกขนาดนี้เย็นสบายเหลือเกินนะมันไม่ลืมในใจของเราอันนี้เราบ่าคันดิกะสมาธิอแต่เราพยายามเราไปจะไปคิดว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างเมื่อกี้นะอยากจะให้มันเป็นอย่างเมื่อวานน่ะอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้น หาใหม่ถ้าเราคิดอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เปลี่ยนเอห้ดูเอาไว้นะอันนี้ก็ให้เรียนเอาไว้เทคนิคตัวนี้อย่าไปคิดว่าอยากจะให้มันเป็ี่ยนอรรถมันผ่านไปก็ผ่านไปแล้วถึงจะทานอาหารอริอรอ่อยยังไงมันก็ผ่านไปแล้วเออมันเป็นอุจจระไปแล้วไม่ต้องคิดถึงมันอีกละ่ะต้องหาใหม่ต้องหาอาหารตัวอื่นมาทานอีกบางทีอาจจะจอร่อยกว่าตัวนั้นก็ได้ฮอแต่นี้ก็กําหนดใหม่อีกแต่ให้มีสติสัมปชัญญะอย่างเก่าด้วนนะให้มีสติ กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเวลานั่งกให้มีสติอยู่ในตัวของเราการเคลื่อนไหวของเราเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้มีสติอยู่ในความนึกคิดและก็อยู่ในกายอยู่ในกายด้วยด้วยอยู่ในความนึกคิดของเราด้วยไม่ให้ส่งปุงมฟุ้งออกไปข้างนอกถ้าเราทำอยู่อย่างนี้สม่าเสมอจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบ ม, มากกว่านั้นทีมันจะเข้า มันจะค่อยอยู่อยู่อยู่จิตของเราจะไม่ปุงไม่ฟุ้งออกไปข้างนอกมันจะรู้เท่ารู้ทันรู้ร่างกายของเราว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเราพูดเรื่องอะไรเรากระทายังไงเราเคลื่อนไหวยังไงเราจะรู้ได้ตนด้วยตนเองจิตไม่หิวไม่หวยไม่กระวนไม่กระวายไม่กระสับกระส่ายไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานเท่นิจิตกับจิตควบคุมกันอยู่เอแต่จะให้สงบนิ่งไม่ใช่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 อสรุปแล้วก็คือตำรวจควบคุมอนักโทษอยู่ได้แล้วงั้นแต่แต่ก่อนมันเป็นนักโทษหัวแหลมบางงั้นแตะลบไปลบมาลบมาลบไปลบไปล บ, ปลบมาแต่ทันนี้ข่าวนี้สติของเราเหมือนกับตำรวจจับเจับผู้ร้าย่างงั้นอยู่เออควบคุมให้อยู่ได้อจะคิดเรื่องอะไรจะทําเรื่องอะไรจะพิจารณาอะไรใจดวงนั้นจะอยู่ เออไม่หิวไม่หวยไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซานเนี่แหละอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิเ อ, อจากนั้นเราก็มีความพยายาม อ, อดูใจของเราอยู่ตลอดเมื่อกินเป็นอุปจารอุปจา ร, จารสมาธิแล้วเราไม่คิดปรุงออกไปข้างนอกเราก็ดูใจของเรากําหนดดูใจของเราสติกับใจของเราเนี่ยไปด้วยกัน เ, เปลี่ยนร้อนหนาวหิวกระหาย เสียงอะไรมากระทบก็ได้ยินแต่ไม่ส่งออกไปข้างนอกออันนี้จิตประเภทนีว่าจิตจิตอุปจาระสมาธิจากนั้นเรากาหนดดูอีกใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งลึกลงไปอีกถึงลึกลงไปอีกจิตที่เป็นมันลงไปจากจุดนั้นลงไปขาวนี้ลงไปถึงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่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 แต่บางคนก็ไม่ได้นานเพียงเข้าไปกับประมาณชักทึ่งนาทีและหนึ่งนาทีบางทีก็บสองสามนาทีจากนั้นก็จิตก็ถอนออกมาถอนออกมาเข้ามาสู่อุปจารสมาธินี่แหละนี่แหละมันจะมาถอนออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิเราจะรู้ได้โดยตัวเองโอ้เมื่อกี้เนี่ยจิตของเราทําไมมีความสุขเหลือเกินแหมมันจิตอย่างเข้าสู่ความสงบลึกและมีความสุขเหลือเกิน อันนี้หนอที่พระพุทธเจา้าหรือครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดนี้เองหนาเนะ น, นี่เรารู้ได้ด้วยตนเองถึงเราจะไปถามใครเอ๊ะผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้จิตของผมสงบไหมเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องถามใครมันรู้มันเชื่อมั่นในตนเอง ถึงจะถามใครก็เป็นถามลักษณะถามลองเชิงอย่างนั้นแหละแต่ในใจของเราแน่แ น, น่ปึ๊บเลยเหมือนกันเถอะจิตสงบแ น, น่ไม่เป็นอย่างอื่นเลยอพราะว่ามันรู้ได้ด้วยตนเองอย่างชัดเจนเลยไม่ได้สงสัยเลยเมื่อกลเรากินอาหารอิ่มนั้นข้าพเจ้ากินข้าวอิ่มหรือยังเไม่ต้องถามเหมือนกันเถอเพราะมันอิ่มแล้วรู้จักด้วยตนเองอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิจุดนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองนี่อันนี้คือสมาธิทั้ง สมาธิทั้งสามขั้นจบลงเพียงแค่นี้เอไม่เกินกว่านี้ไปคือสมาธิมีอยู่สามขั้นคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาอั ป, ปนาในแปลว่าสูงสุดของสมาธิอาจากนั้นก็จิตก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิอุปจาที่เป็นอั ป, ปนาสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรทั้งหมดมีแต่จิตเสว ย, วยด้วยจิตมีความสุข จิตไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่สานแต่พอออกมาเป็นอุปจารสมาธิเท่นี่กําหนดดูได้เท่นีอกําหนดพิจารณาดูได้นี่แหละจิตที่เป็นอุปจารสมาธินี่ยจะพิจารณาอะไรเท่นี่แต่บางบางครั้งครูบาอาจารย์บอกจิตที่ติดสมาธิพอเข้าไปนะมันอยากจะเข้าสมาธิไม่อยากจะพิจารณาพอกําหนดเข้าไปมันจำบายออ พอให้คิดนะมันอยากไม่อยากจะคิดมันเหนื่อยแม่ไม่อยากจะทํางานแม่แต่พอกําหนดจิตเข้ากุศุความสงบเนี่ยมันสบายมันอยู่นิ่งมันมีความสุขแต่พอให้พิจารณามันไม่เอาล่ะเอ่เพราะมันมันทุกข์แม่มันปุงมันฟุ้งน่ยให้ออกคิดเนี่ยไม่ไานไม่เอานี่แหละเท่ว่าจิตติดสมาธิไม่ดีไม่เป็นพ้นดีแต่ถ้งว่าเรายังไม่เคยเป็นสมาธิเลยให้เป็นสมาธิก่อน ให้รู้รสของสมาธิก่อนถ้าเราไม่รู้ไม่เคยทําสมาธิจิตไม่เคยสงบเสเลยเราจะไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากว่าการทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่รู้ไหมจิตใจที่เป็นสมาธิมีความสุขอย่างไรเพราะเราไม่เคยเราก็ไม่รู้จักโนบีติหิวโหวยจิตใจปุงฟุง้งตลอดเวลาอันนั้นแปลว่ายังไม่รู้รสของพระธรรม แต่ถ้าว่าพวกเราทําจิตให้สงบแล้วนั่นแหะเราจะรู้รสของพระธรรมพระธรรมคําสอนเลยอยู่ในความสงบเนี่ยมีความสุขจากนั้นเมื่อเรารู้รสของพระธรรมแล้วเออที่พระพุทธเจ้าว่าให้พิจารณาแหมทางวิปัสสนาเนี่ยพิจารณาอย่างไรเราก็มีแก่จิตแก่ใจที่จะพิจารณาขั้นตอนต่อไปอีกเถิดถ้าว่าจิตของเรายังไม่เคยสงบสเฉลยเนี่ย เ, ออเราจะพิจารณาอันนั้นก็มันก็พิจารณาได้แต่ พิจารณาด้วยความไม่มั่นใจแต่ถ้าว่าพอเราทำกิตสงบได้แล้วเราพิจารณาด้วยความมั่นใจนะทีนี้เออมั่นใจในตัวเองนะทีนี้พิจารณาอะไรบังคับให้ออกบังคับให้พิจารณาเอ้มันจะอยากจะอ ย, อยู่นะมันอยากจะพักผ่อนมันอยากจะเข้าไปอยู่ในนอนในห้องแอร์เย็นสบายแล้วก็นอนพักแล้วกทานอาหารไม่อยากจะออกไปทำงานไม่ได้มันไม่มีผลงาน เมันอยู่ในนั้นไม่มีผลงานต้องบังคับให้ออกเลยนี่แหละครูบาอาจารย์ธรรมาบังคับให้ออกจากสมาธิไปพิจารณาทิ้อสมาธิคือความสงบวิปัชนนาคือการหาเหตุผลใช้เหตุผลการพิจารณาไต่ตรองด้วยเหตุผลเหตุผลอะไรพระพุทธเจ้าทรรมะเกซ่าให้พิจารณาให้พิจารณาผมโลมาขนนาาเล็บทันตาวันตะโจหนัง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 แต่ร่างกายนั่จะอยู่ไปนานจากเท่าไหร่อไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมถึงจะร้อยปีก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมมันจะยอมรับอันนี้คือความเป็นจริงเมื่อพิจารณาเนี่ยวิปัชนาวิปัชนาสรุปแล้วก็คือวิปัชนึกนั่นเองนึกคิดน้อมจิตไปนึกไปแต่นึกไปด้วยหลักเหตุผลไม่ใช่ว่านึกลมล ม, ลมแรงแรงนึกว่าขาดจะไปตายขึ้นว่าจะช่วยงามต่อไปภายภาคหน้าคิดว่ากร่างกายนี่ แต่จะไม่ถึงจุดจบอันนั้นแปลว่านึกแบบลมๆแรงๆนึกคิดไปเฉยๆไม่เป็นไปตามตามความเป็นจริงแต่นึกว่าร่างกายเนี่แก่นะทําให้ตายง่ายแก่ไปเรื่อยๆนะหนังเหี่ยวนะฟันหลุดนะตาฟ้าฟางนะหูหนวกนะเออแต่ใช้ไม่เท้านะต่อไปนะเดินไม่สะดวกนะใช่ไหมใจใจมันก็จะวัดชาย ถ้าผ่านจิตใจผ่านความสงบมาแล้วมันจะยอมรับเปิดใช้ไม่เป็นอย่างอื่นในเมื่อร่างกายของเราเออยังไม่ใช่ของเราเราบอกว่าอย่าแก่หน้ากายนะอย่าเจ็บหน้ากายนะอย่าป่วยหน้ากายนะอย่าตายหน้ากายนะเรายังห้ามมันไม่ได้แล้วเราจะไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละพระพุทธเจ้า่อจะไปยึดถือว่าร่างกายเป็นของตัวตนหน้าใจหน้า ให้รู้เท่ารู้ทันมาใสากับเพียงอ า, อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหะจากนั้นก็ร่างกายก็จะต้องแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟใจของเราให้รู้เท่ารู้ทันอย่าไปทุกข์กับกายนะอนี่คือสอนใจให้รู้เท่ารู้ทันเอาธรรมะเข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสอนใจตัวผู้ ร, รู้ให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายเนะในเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกาย สิ่งนอกกายของเราล่ะอ่าที่นี่เรามาพิจารณาดูสิ่งนอกกายของเราเอ่อเลือกสวนไร่นาที่ดินเอ่อครอบครัวลูกเต่าเล้าล้านวงศ์สานายาตพอแม่ครูบาอาจารย์เอ่อศาลากุติวิหารวัดบาศาสนาเป็นของเราไหมจะว่าของเราก็ใช่ของเราก็สมมุติขึ้นมาเป็นของเรา แต่เนื้อหาสาระตัวจริงและมันไม่ใช่ของเรานะใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมันว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราอย่างเด็ดขาดนะถ้าเรายึดมั่นถือมันว่าเป็นของเราเราโง่นะ เ, เพราะร่างขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราเออกมาจากท้องแม่แท้ๆเราจึงไม่มันยังไม่เป็นของเราเราจะไปยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราเนะ่ยยึดแบบโง่งๆนะ ใจนะให้รู้เท่ารู้ทันเอาไว้นะเนะี่ยสิ่งเหล่านี้มันปัญญาทีนี่มาสอนใจของเราใจของเราก็จะไม่ลุม่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นและกับพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้สิ่งต่างๆรู้รอบขอบชิดไม่ยึดมั่นถือมั่นเออจากนั้นรู้แจง้งเห็นจริงจากนั้นก็ไม่ปล่อยวางที่ใจทีนีในเมื่อมันไม่ใช่ของเราจะไปยึดถือมั่นยึดมั่นถือมั่นได้อย่างไร เราก็ปล่อยวางที่ใจเมื่อปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกจิเลสนี่กิเลรสเลเลราคะกิเลสโทสะกิเลสมหะกิเลสราคะก็คือความกำหนัดยิงดีไปเห็นรูปด้วยตาไปเห็นได้ยินเสียงด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายสัมผัสด้วยกายเราก็ติดในรถในตาในหูในจมูกลิ้นในกายในเมื่อเราไปเห็น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 ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่พิทาคือความเบื่อหน่ายรู้แจ้งเห็นจริงแล้วใจของเราคนจากหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดกายไม่ยึดใจเอกายก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นตัวตนของเราอีกทักวันหนึ่งเขาจะไปเผาไฟอ ย, าอยู่แล้วจะเป็นของเราได้อย่างไรใจของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็คิดนู่นเดี๋ยวก็คิดนี้เดี๋ยวก็เช่ามองเดี๋ยวก็พองใสเออเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเออ เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องให้ถ้าเราดูใจของเราถ้าดูเราเอาสต ions, ิเอาปัญญาจับเข้าไปดีๆแล้วนะดูใจของเราเนี่ยในความเสียใจนั่นคือความร้องให้ความดีใจ Depot, คือความหัวเราะมันมีอยู่ทั้งวันเลยในใจของเราถ้าเราเอาสติจับเข้าไปดูอยา่างอยา่างที่อย่างให้อย่างละเอียดเหมือนั้นเด็เราจะเห็นตัวของเราร้องให้หัวเราะร้องให้หัวเราะ ดำแล้วก็สว่างมืดสว่างมืดสว่างเอส่อเหมองผ่องใสยอยู่ในจิตในใจของเราใจของเราก็ตัวเป็นตัวอเนจจังเหมือนกันคือตัวไม่เที่ยงเหมือนกันสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกใช่เป็นทุกจริงใจของเรารับทุกเข้ามาสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยปฏิเสธเลยกระทั่งใจของตอนเองเมื่อปฏิเสธใจของเราเราใจของเราก็เบื่อหน่าย ไ, ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจก็หลุด เ, planted, เป็น อมตะธาตุอมตรธรรมจะไงออกมาจากโลกทั้งหลายไม่สามารถที่จะยึดจิตใจความรู้สิ์จุดนั้นมาได้กิเลสของเรากหลุดลอยออกไปเราก็เป็นอิสระใจเป็นอิสระใจเป็นธรรมทั้งแท่งฮะเป็นวรมะสุขนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได กล่าวสมโมทรนิยกถาได้หลายแนวทางแต่วันนี้เด่นเน้นในภาคปฏิบัติเรื่องสมาธิเป็นสําคัญแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องทานเรื่องศีลหลวงพ่อได้พูดมาหลายครั้งหลายคราวแต่นานหลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิในภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะนำไปประพฤติปฏิบัติ ที่หลวงพ่อแนะนําไปนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมามไม่ผิดแน่วรา ง, งั้นจะให้พิจารณาอย่างนี้ครับให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังขังอนัตตาอยู่ที่ใจให้เห็นอสุภะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วก็ให้พิจารณากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพวกเราอยากจะให้สงบเป็นคันนี้กะอุปจารอัฌ น, นา ต้องกําหนดลมหายใจเขาออกเป็นหลักแต่จะใช้กรรมฐานอื่นมาบริกรรมก็ได้กรรมฐานสี่สแต่สายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มันท่านว่าเอาพุทโธนี่แหละทดลองดูถ้าว่าไม่ถูกกับบริกรรมพุทโธจะเอาธรรมโอก็ได้สังโฆก็ได้กรรมฐานสี่สิบอย่างมาบริกรรมก็ได้แต่ว่าที่ท่านได้ใช้ได้ผลมากก็คือเนี่ยแหละ อนาปาณสติเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยแหละเป็นหลักนะจากนั้นขอเมื่อกิจเข้าสู่ความสงบบังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาหรือ ว, วิปัจฉนานะในเมื่อวิปัจฉนาแลว้วพิจารณาทบทวนไตรตรองด้วยเหตุและผลร่างกายมีอะไรบ้างร่างกายนอกร่างกายในเวทานานอกเวทานาในาใจนึกคิดเรื่องอะไร จากท่านเขาถุงักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็มาสู่จิตใจของพวกเราทั้งหมดที่จะเอาตัดขาดจริงๆที่จะเห็นมรรคเห็นผลจริงๆคือใจท่านละท้ปล่อยวางที่ใจใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเป็นบร ม, มสนะุนะนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโนะดยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเรา ขอให้พวกเราดวงตาเห็นธรรมในที่สุดโดยพร้อมเพียงกันข อ, อยุติในการพูดเพียงเท่านี้อตอนนี้ไปนั่งสมาธินัตินีนะ